บทภาชนี923ความหวังในจีวันที่เลื่อนลอยพิกษณีสําคัญว่าเป็นความหวังในจีวันที่เลื่อนลอยให้ล่วงเลยสมัยจีวรละการไปต้องอบัตติจิตีความหวังในจีวันที่เลื่อนลอยพิกษณีไม่แน่ใจให้ล่วงเลยสมัยแห่งจีวรละการต้องอภัตต์ทุกขความหวังในจีวันที่เลื่อนลอยพิกษณีสำคัญว่าเป็นความหวังในจีวันไม่เลื่อนลอยให้ล่วงเลยสมัยแห่ง สำคัญว่าเป็นความหวังในจีวรที่เลื่อนลอยต้องอบัตตทุกกฎความหวังในจีวรที่ไม่เลื่อน้อยภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตตทุกกฎความหวังในจีวรที่ไม่เลื่อนลอยภิกษุณีสำคัญว่าเป็นความหวังในจีวรที่ไม่เลื่อนลอยไม่ต้องอภัตต